ว่างจากความหลงถึงฉลาดขนาดไหนถ้างมในความมืดมิดก็พลาดผิดได้เสมอในความมืดมิดคนฉลาดอาจคิดว่าตนรูปงามทั้งที่จริงรูปซามอย่าบอกใครในความมืดมิดคนฉลาด อาจคิดว่ากำลังขึ้นสูงทั้งที่ถูกจูงไปสู่เหวรลอกรามไรถ้าสำคัญผิดให้คิดเก่งแค่ไหนก็ไม่ถูกซ้ำจะผูกปมซับซ้อนซ่อนเงื่อนปัญหาเกินแก้ถ้าสำคัญผิดทั้งชีวิตจะวกวนต้องจำทนหลงทางไม่รู้จบ ดีแต่พบเรื่องร้ายไม่รู้เลิกในความสว่างแม้งอบ้างอย่างน้อยก็รู้จักหน้าตาตนตามจริงเมื่อจะต้องดิ่งสู่เหวลึกก็หยุดเสียทันก่อนสายเมื่อเห็นถูกเห็นชอบแม้ไม่เก่งมากก็ยากจะผูกปมรัดคอตนเองต่อให้พลาดหลง ก็คลัมหาทางออกจนเจอเพื่อออกมาอยู่ในความสวาม่างต้องรู้จักสละความเคยชินกลางถ้าเพื่อเห็นถูกเห็นชอบต้องรู้จักสละความคิดหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวถ้ายังหลงผิดไม่มีใครทำผิดได้มากกว่าใคร เรื่องแย่แค่ไหนก็เกิดขึ้นได้โมหะคือรากแห่งบากข้อที่สารบุคคลละความหลงได้แล้วยอมชื่อว่าเป็นผู้กำจัดความมืดจากชีวิตไม่ทำผิดซ้ำซากได้มากเท่าเดิมแยกแยะออกว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษจึงเลือกแต่คุณแล้วละโทษไว้เบื้องหลัง รู้ว่ากำลังหลงดีกว่าหลงว่ากำลังรู้หลงน้อยคือเห็นความจริงมากและเห็นความว่างมาก